พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่กินติสูตรวิธีเตือนภิกษุการพิจารณาโจทฟ้องอาบัติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่หน้าป่าชัดอันเป็นสถานที่บวงสรวงพลีกรรมเคกรุงกุสินาราณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างไรในเราบ้างรือว่า พระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งจีวรบินทบาตเสนาสนะหรือพระสมณโคดมแสดงธรรมเพราะเหตุแห่งพบน้อยและพบใหญ่ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีความคิดในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้เลยภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายมีความคิดอย่างไรในเราละ่ะ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 ส ม, มัปปทานสีอิทิบาสีอินสีห้าภละห้าพวดชงเจ็ดอริยมรรมิองคปดเธอทั้งหมดพึงเป็นผู้ส ม, มัคีกันรวมใจกันไม่วิวาดกันตั้งใจศึกษาในธรรมเหล่านั้นแต่เมื่อเธอทั้งหลายส ม, มัครีกันร่วมใจกันไม่วิวาดกันศึกษาอยู่ จะพึงมีภิกษุสองพวกที่มีวาทะต่างกันในอภิธรรมบ้างในที่นี้หมายถึงโพธิปัจกยธรรม37ประการคือธรรมะอันเป็นฝากฝ่ายแห่งธรรมะเครื่องตรัสรู้ถ้าเธอทั้งหลายมีความคิดในโพธิปัจกยธรรมเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายนี้มีความขัดแย้งกันโดยอัคคกและมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะ ขัดแย้งกันโดยอัฏฐะหมายถึงกล่าวให้ความหมายของคำต่างกันขัดแย้งกันโดยพยัญชนะหมายถึงกล่าวคำศัพท์ต่างกันภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าขอท่านทั้งหลายจงทราบความขัดแย้งกันนี้นั้นว่าเป็นความขัดแย้งกันโดยอัฏะและเป็นความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะ ขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาสกันเลยเธอทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือผิดโดยความยึดถือผิดครั้นจำได้แล้วพึงกล่าวรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้จากนั้นตรัดโดยในยะเดียวกันแต่เป็นเพราะขัดแย้งกันโดยอัฏฐะลงกันได้โดยพยัญชนะลงกันได้โดยอัฏะมีความขัดแย้งกันโดยพยัญชนะ ในส่วนขัดแย้งด้วยคำสับหรือพยัญชนะส่งให้เตือนว่าก็เรื่องพยัญชนะนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยขอท่านทั้งหลายอย่าถึงกับวิวาดกันในเรื่องเล็กน้อยเลยเธอทั้งหลายพึงจำข้อที่ภิกษุเหล่านั้นยึดถือผิดโดยความยึดถือผิดครั้นจำได้แล้วพึงกล่าวรรมวินัยด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายแต่เมื่อเธอทั้งหลายสามกีกัน ร่วมใจกันไม่วิวาดกันศึกษาอยู่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพึงต้องอาบัติลวงละเมิดบัญญัติเธอทั้งหลายไม่ควรกล่าวหาภิกษุรูปนั้นด้วยข้อกล่าวหาในเรื่องนั้นพึงใครครวญบุคคลก่อนว่าความไม่ลำบากจะมีแก่เราและความไม่ขัดใจจะมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้ไม่โกรธไม่ผูกโกรธไม่ดื้อรั้น สลับขืนได้ง่ายและเราสามารถจะให้เขาออกจากอากุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาอันหนึง่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความไม่ลำบากจะมีแก่เราและความขัดใจจกมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้มักโกรธ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 อั น, นถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจะมีแก่เราและความไม่ขัดใจจะมีแก่บุคคลอื่นเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้ไม่โกรธไม่ผูกโกรธดื้อรัน้นสละคืนได้ยากแล้วเราสามารถจะให้เขาออกจากอากุศลแล้วให้ดารงอยู่ในกุศลได้ก็เรื่องความลำบากของเรานี้เป็นเรื่องเล็กน้อย ส่วนเรื่องที่เราสามารถจะให้เขาออกจากอากุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้นั้นเป็นเรื่องใหญ่กว่าถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ก็ควรกล่าวหาอันหนึ่งถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจะมีแก่เราด้วยความขัดใจจกมีแก่ผู้อื่นด้วยเพราะ บ, บุคคลอื่นเป็นผู้มกโกรธผูกโกรธดืด้อรั้น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 ภิกษุทั้งหลายแต่ถ้าเธอทั้งหลายมีความเห็นอย่างนี้ว่าความลำบากจะมีแก่เราด้วยความขัดใจจะมีแก่บุคคลอื่นด้วยเพราะบุคคลอื่นเป็นผู้มักโกรธผู่โกรธดื้อรั้นสละคืนได้ยากและเราก็ไม่สามารถจะให้เขาออกจากอกุศลแล้วให้ดำรงอยู่ในกุศลได้เธอทั้งหลายก็อย่าพึงดูหมิ่นความวางเฉยในบุคคลเช่นนี้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 เธอทั้งหลายพึงเข้าใจบรรดาภิกษุผู้เป็นฝ่ายเดียวกันในที่นั้นว่าภิกษุรูปใดเป็นผู้ที่ตักเตือนได้ง่ายกว่าควรเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระสมณะเมื่อทรงทราบเรื่องที่เราพูดยุแย่กันมีความเห็นแตกแยกกันผูกใจเจ็บไม่เชื่อถือกันไม่ยินดีต่อ ก, กันนั้นจะทรงตำหนิไหม ภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายพระสมณะเมื่อทรงทราบเรื่องแล้วจะทรงตําหนิได้ก็ภิกษุอื่นพึงถามเธอว่าท่านทั้งหลายภิกษุเมื่อละธรรมนี้แล้วจะพึงทํานิพพานให้แจ้งได้หรือไม่ละธรรมหรือธรรมะในที่นี้คือเหตุที่ให้ทะเลาะบาดหมางกันนั้น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 แล้วกล่าวตักเตือนเช่นเดียวกันนั้นภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุเหล่าอื่นพึงถามภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุภิกษุเหล่านี้ของเราทั้งหลายอันท่านให้ออกจากอากุศลให้ดำรงอยู่ในกุศลแล้วหรือภิกษุเมื่อจะชี้แจงโดยชอบพึงชี้แจงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายในเรื่องนี้กระผม